ก็ถือโอกาสการฟังธรรมเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมไปด้วยการฟังก็ทำให้ได้เกิดการสํารวมการแสดงสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรมนธรมเขาก็จะมีความเป็นกุศลเมื่อฟังสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไปทางหูสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปถึงใจตลอดการฟังสิ่งที่เป็นกุศล ทุกคำพูดที่เป็นกุศลเข้าไปถึงใจตลอดเว้นตะโยมลำถึงใจเน้นใจสิ้นสุดการฟังใจก็จะสะอาดสะอาดง่ายๆเลยแค่ฟังในสิ่งที่เป็นกุศลัน้นถ้าเป็นนี้เราควรจะเลือกฟังในชีวิตเราเลือกนะอะไรที่ฟังแล้วร้อนเนี่ยเราทำยังไงเดินหนีดีกว่านะเป็นอย่างนั้นเราก็มาทบทวน เขตความรู้ชั้นแก่นพูะเจ้าบอกผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตถาคตนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนั้นหมายถึงว่ารู้แจ้งปฏิจจถูกไหมเขาปฏิจจ์ไปทาอะไรไหม ไม่ใช้คาว่าเห็นผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงผู้ใดรู้แจ้งห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเหมือนการที่รู้แจ้งอริยสัจนะหมายถึงบุคคลนั้นชื่อว่ามีวิชาปัญญาสมบูรณ์ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทที่เรามานั่งเรียนกันเนี่ยเพื่อให้เราเห็นแจ้ง ว่าระบบเขาเป็นอย่างไรให้ถูกต้องนี้เราก็ทบทวนกันหน่อยเนื่องจากว่าพวงโซปฏิจจสมุปบาทไม่มีการอธิบายไว้เลยนะไม่มีการอธิบายอาจจะมีการอธิบายแต่ว่ารายละเอียดการอธิบายไม่ตกทิ้งหรือถ่ายทอดมาถึงเรา มีในพระไตรปิฎกก็แต่เพียงหัวข้อเท่านั้นนี่คือความยากของวงโซปฏิจสมุปบาทซึ่งเป็นตัวความรู้ชั้นญานณทัศนะหรือเป็นตัวความรู้ที่ทำให้พระอรหันต์รู้ว่าตนนั้นสิ้นการเกิดตายแล้วอย่างไรหรือรู้ว่ากระบวนการการเกิดตายเนี่ยมันมีกลไกลอย่างไร เข้าใจกลไกลการเวียนว่ายใตเกิดของสัตว์แลยว่าระบบมันเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดชาติหรือเหตุเกิดทุกข์แต่รู้ว่าตัณหานะ่ยมันทาให้เกิดชาติได้อย่างไรนี่คือตัวความรู้ในกลไกลของความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเราตามย้อนรอยไปในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง คนพบห่วงโซ่ทั้ง11อาการซึ่งก็คือการทบทวนความรู้ทบทวนรายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์ซึ่งพระองค์รู้แล้วในระดับหนึ่งว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ก็จบไว้ที่ตรงนั้นไม่สาวต่อแค่นั้นพอกินละพอรู้แล้วว่าสิ้นเกิดตายละในการเสวยวิมุตติสุขของพระองค์ ทำให้เกิดการมองลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกจึงเกิดการเพิ่มเติมสายของเหตุกระทุกยาวไปจนถึงอวิชชานี่คือความรู้เรื่องห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทระบบธรรมะที่แสดงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันด้วยลักษณะที่ว่าทำอะไรก็ตามที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุ เป็นเครื่องทำให้เกิดถ้าจะดับก็เมื่อเหตุนั้นดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพระพุทธเจ้าได้ทำการค้นหาเหตุก็เริ่มจากชาติเลยเนื่องจากว่าคนเราเกิดมาเนี่ยหนีแก่เจ็บตายไม่ได้อยู่แล้วความเข้าใจชีวิตทาให้พบว่าความแก่เจ็บตายเป็นเรื่อง ธรรมดาเป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ธรรมดาไหมอันนั้นไม่ธรรมดาแต่ถ้าธรรมดาแล้วต้องแก่เจ็บตายแน่ๆอันนี้คือธรรมดาโดยความที่เขามีปกติธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นจึงไม่อาจจะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะถ้าใครเกิดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตที่เกิด ตลอดหนึ่งชีวิตการศึกษาของพระองค์ทำให้พบว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ได้มีเราอยู่ในระบบเจ้าชีวิตนี้เลยจึงบังคับเขาไม่ได้เมื่อเกิดมาก็ต้องอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงแปรปวนที่ไม่อาจบังคับได้เป็นธรรมดาจึงมีมุมมองใหม่ที่พบว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดมามีชีวิตเนี่ยเกิดไมคันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ ชีวิตเป็นสิ่งเป็นทุกโลกเป็นทุกโลกเป็นดังหลุมฐานเพิ่มมองสวนชาวบ้านใช่ไชาวบ้านบอกโลกยังมีอะไรน่าชื่นชมยินดีเต็มไปหมดเลยพระเจ้าบอกโลกเป็นสิ่งเป็นทุกโลกเป็นเหมือนดังของว่างเปล่าไปบอกท่านโมคคาาชนี่เป็นการกระทาในใจชันเลิศเลยนะบอกโมคคาลาดเธอจงมองโลกให้เห็นโดยความเป็นของว่างเปล่า ของว่างเปล่าก็หมายดึว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ที่รู้ที่ทราบที่รู้สึกที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเป็นเหมือนของว่างเปล่ามองยังไงให้เห็นโลกเป็นของว่างเปล่าถ้าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าแล้วทุกสิ่งมันมีแก่นสารไหมไม่มีแก่นสารถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งว่างเปล่าแล้วมันน่าต้องการไหมไม่น่าต้องการถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งว่างเปล่าเป็นแต่ของว่างเปล่าเป็นแต่สิ่งชั่วคราว เป็นแต่สิ่งที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเป็นสิ่งที่ต้องพัดพลากจากไปการได้มาก็ทอดทิ้งทุกสิ่งก็เหมือนของว่างเปล่าถ่าไให้ไปมองให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าพูดแค่นี้ไม่ได้อธิบายเยอะบอกโมคคลาเธอจงมองโลกให้เห็นโดยความเป็นของว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าแล้วหมายถึงว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยใช่ไม ก็ทั้งโลกเป็นของว่างเปล่า น, นี่เราจะทําไงดีไปมองให้ว่างเปล่าไอ้นุ่นก็ดีไอ้นันก็ดีไอ้นั่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าให้มองว่ามันเป็นของว่างเปล่าไปมองอย่างนั้นและนำความเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเถิดให้มีการกระทําในใจที่จะมีสติสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงระบบชีวิตเนี่ย จะไถ่ถอนความเห็นและเชื่อไปในทางว่ามีเราออกอยู่เสมอจะพูดกับใครอยู่ใช่เราพูดไหมไม่ใช่แต่เจ้าจิตปรุงการพูดท่งผ่านรูปขันให้เกิดเสียงพูดหนอแล้วก็มีรู้ต่อการพูดหนอไม่ใช่เราพูดหนออันนี้คือคนขยันจะนั่งเล่นกับการถอนความเห็นว่าเราออกจาก เหนือตัวชีวิตท่านสอนสั้นๆสังประโยคโมคลาชเธอจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าและมีสตินำความตามเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเถิดหมายถึงว่าการปฏิบัติของท่านพูดแค่สองประโยคเนี่ยสรุปใจความคือให้มองทุกสิ่งในโลกให้เห็นว่าไม่มีกันสารและ ให้มีสติสัมปชัญญะพยายามที่จะถอนความเห็นว่ามีตนเนี่ยออกไปเสียให้ได้นี่คือผ่านนคืนพยายามถอนความเห็นว่ามีตนความเชื่อว่ามีตนเนี่ยออกไปให้ได้ถอนความเห็นว่ามีตนและก็มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเนี่ยการมองแค่สองส่วนเนี่ยหมายถึงทิ้งทั้งขันทิ้งทั้งโลกถูกมหมโลกก็ว่างเปล่าขันห้า ก, ก็ไม่ใช่ตน ทิงทั้งสองส่วนนี้หมดเลี่ยงหมดเลยแค่สองประโยคแล้วพระเจ้ามาเจอโยบโยมทั้งหลายจงมองโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าและมีสติสัมปชัญญะนําความตามเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเถิดเนี่ยเข้าใจไหมเงียบกิบเ <c oughs> งียบกิบพระโมคคัลราชฟังแค่สองประโยคนี้กระจ่างเลยว่าอืมโลกมันไม่มีแก่นสาร เห็นโดยความเป็นของว่างเปล่าเนะี่ยไปตามสังเกตมองยังไงถ้ามองอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการแล้วถ้ามองว่าชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่เราเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็รู้ต่อเลยว่ามันบังคับก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปวนก็ไม่มีก่นสารเหมือนกันมองทั้งโลกภายในทั้งโลกภายนอกอย่างนี้คลายความยึดมั่นได้ไมได้นะเหมือนง่ายใช่ไหม เหมือนง่ายจะทําตามท่านโมคคลลาดได้ไหมถ้าคิดจะไปทําเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะได้นะอันนี้ก็มีมุมหนึ่งมุมธรรมะสั้นๆแต่ลึกสั้นแค่เนี้เอาไปปฏิบัติได้ละถ้าคนเนี่ยคิดว่ารู้จักจะปฏิบัตินี่จุดของการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าตัณหาเนี่ย คนไม่มีการศึกษาให้ละเอียดจริงๆในพระตรปิฎกเองเนี่ยก็จะรู้จักตัณหาแต่ชนิดที่เกิดดับทางผัสสะพอผัสสะครั้งหนึ่งเกิดขึ้นรู้ไม่ทันตัณหาเกิดตัณหาเกิดคือความรู้สึกอยากมันเกิดแล้วมันก็ดับความรู้สึกอยากมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วก็จะคิดว่าตัณหาเนี่ยจะเกิดเฉพาะเมื่อผัสสะกระทบแล้วมันค่อยเกิด พอเกิดแล้วมันก็ค่อยดับพอดับก็คือดับหายไปเลยกลายเป็นผู้ไม่มีตัณหายางเก่าปกติตอนนี้มีตัณหาไหมตอนนี้ถ้าในความรู้สึกมีไหมคือตอนนี้คือยังรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหแต่ยังไม่มีอะไรมากระทบไงพอกระทบปุ๊บค่อยรู้สึกต้องการให้เห็นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ดับพอดับไปก็คืนสู่ภาวะอย่างนี้มีความรู้สึกอยากอะไรให้เห็นไห มีไหมไม่มีตอนไม่เห็นความรู้สึกอยากอะไรเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะไม่มีตัณหาใช่มะตอนนี้คือไม่มีตัณหาใช่ไหมพอเห็นว่าไม่มีตัณหาก็คือมันจะมีอุปทานไหมตรงนี้ก็คือไม่มีอุปทานใช่ไหมเมื่อไม่มีอุปทานจะมีภพไหมก็ต้องไม่มีภพใช่มหมเมื่อมีภพก็ต้องไม่มีชาดใช่ไืม ทีนี้เจ้าตัณหาเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะในรูปของความรู้สึกอยากอย่างเดียวยไม่เกิดความรู้สึกอยากอย่างเดียวเช่นพอสัมผัสแล้วเกิดโดนกระทบเข้าไปจังๆแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกโ ก, กรธเกลียดเลยสัมผัสนั้นไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกอยากแต่เกิดความรู้สึกเกลียดชัง พอเกลียดชังเนะี่ยกลับบ้านก็ยังตามมาอยู่เลยยังกุ่นกวนอยู่เลยความเกลียดชังที่มีอยู่ในใจคาใจอยู่เนี่ยมันทาให้เกิดความต้องการได้ไหมต้องการได้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้รถชนมันตายอยากอะไรแบบนี้อยากให้มันเป็นนี่คืออยากในภาษานั้นไม่ได้เกิดความรู้สึกอยากแต่เกิดความรู้สึกเกลียดเกลียดกับอยากนีนตัวเดียวกันไหม ก็อย่างพะเกลียดขึ้นมาเนะี่ยก็ตามค้างคางคางขาใจเลยนะบางคนเกลียดนานเลยเพราะยังไม่ได้ชำระสะสางนะเกลียดค้างตราบที่ใจยังเกลียดชังเขาอยู่เนะี่ยใจยังเกาะเกี่ยวเขาอยู่ไหมเกาะเกี่ยวความต้องการมันเกิดขึ้นั้มต้องการอยู่แล้วในมุมเกลียดชังก็ต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนี้หรือต้องการให้คนนี้เป็นอย่างนั้นคือต้องการ หรือต้องการให้เกิดอย่างนั้นต้องการให้เกิดอย่างนี้ในความต้องการมันจริงจังไหมจริงจังนะตอนนั้นก็คือตัณหาแต่ภาษะนั้นไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกอยาก rhythmic. เกิดความรู้สึกเกลียดกับบางภาษาทําให้เกิดความรู้สึกชอบเลยรักเลยพอใจเลยมันไม่ได้เกิดความรู้สึกอยากแต่รู้สึกชอบเลยพอใจเลยก็มีอย่างนั้นตัณหาเนี่ยมันจะมีสองส่วน ส่วนที่นอนเนื่องประจำในใจประจำอยู่แล้วเนี่ยมีใครไม่มีตัณหาบ้างไม่มีเนาะใช่ไหมผู้ถูกไหมถ้าสิ้นตัณหาแล้วโยมจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ทุกคนเมื่อใดก็ตามจิตทรงภาวะของการไม่เหลือสิ่งที่ต้องการโดยแท้จริงจิตจะประคองกลิ่นอายบรรยากาศความรู้สึกไม่ต้องการอะไรทรงอยู่อย่างนั้นละ่ะ ได้อิ่มตัวบนความรู้สึกไม่ต้องการอะไรและในความไม่ต้องการที่แท้จริงจะทำให้จิตเกิดความเฉยอย่างทรงตัวเล็กเฉยระงับไม่ใช่พอหมดอยากแล้วก็แค่หมดความรู้สึกอยากนะแต่จิตมันจะมีความรู้สึกเฉยระงับเข้ามาทรงตัวแทนที่ความต้องการหรือตัณหาที่มันหมดไปพอตัณหาหมดไปนิพพานแทนที่กลายเป็นมีนิพพานเป็นอารมณ์ ตอนตันหายังไม่หมดไปจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ไหมไม่มีมันเข้ามาแทนที่กันไม่ใช่ว่าพอตันหาหมดไปคือหมดไปแล้วจิตมันก็คือไม่มีอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนคนเราพอไม่อยากอะไรเนี่ยใจมันเฉยไหมพอไม่อยากอะไรไม่ต้องการอะไรรู้สึกสงบขึ้นมหมสงบในการปฏิบัติจนถึงจุดที่จิตคลายทุกสิ่งโดยแท้จริงได้เนี่ย สิ้นความต้องการอารมณ์นิพพานก็แทนที่ทรงตัวเลยนี่คือการทรงตัวจึงแล้วจิตเปลี่ยนเป็นเจโตวิมุตต์จิตเปลี่ยนเป็นจิตที่มีความเป็นวิสังขารคือหยุดระงับเป็นจิตหยุดปรุงนี่คือรูปทรงทีนี้ตัณหาเรารู้จักแต่ตัณหาเกิดดับทรรภิษฐ์แต่เนื้อตัวจริงๆของตัณหาเนี่ย มันมีตัณหาในชั้นที่นอนประจำถูกไหมหรือจากตัณหานอนประจำไหมเรายังชอบอะไรประจำใจอยู่หมายถึงเรายังต้องการอยู่ไหมต้องการต้องการจะได้ต้องการจะเป็นหรือแม้แต่ต้องการให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นให้ญาติเราเป็นอย่างนี้การต้องการให้ลูกเราเป็นก็คือเราก็ต้องการจะได้ความสุขจากการที่ลูกเราจะได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้อยู่ดีนั่นเอง ใ น, นความต้องการส่วนเนี้ยพ่อแม่แทบจะมีทุกคนเลยเฝ้ารอลูกพอต้องการให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยใจห่วงกังวลได้ไหมห่วงผูกพันไหมผูกพันนะห่วงผูกพันรักนึกถึงในความต้องการอย่างนี้ใจมันมีการเกาะเกี่ยวยึดถือไหมเกาะเกี่ยวลูกไม่หลุดไปจากใจเดี๋ยวลอยมาอีกแะ้วนะนั่งสมาธิลูกไม่ละนเ่งไม่ลอยมาอีกล้นี่คือพอรักอะไรอยู่ ใจก็ยังเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นอยู่ดังนั้นตันหาในชั้ น, นอนเนื่องเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่มีอะไรมากระทบให้เกิดความรู้สึกอยากนะแต่จิตของเรายังมีความต้องการนอนอยู่เป็นพื้นไหมมีมีทุกคนนะในภาวะนี้มันไม่มีความรู้สึกอยากแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะพบว่าใจเรายังไม่หมดสิ่งที่ต้องการใจยังมีประสงค์ใจยังมีเป้าหมาย ใจยังไม่ได้วางสิ่งต่างๆยังไม่ได้วางบ้านยังไม่ได้วางภาระยังไม่ได้วางเป้าหมายยังไม่ได้วางสิ่งที่ต้องการยังไม่วางก็เพราะว่ายังต้องการอยู่ดังนั้นเมื่อมีความต้องการอยู่จึงทำให้จิตวางหรือไม่วางไม่วางการที่จิตไม่วางก็หมายถึงว่าจิตยังมีอะไรอุปาทานคือใจก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่และเมื่อยังไม่วางเนี่ย คนเราจะมีความจริงจังกับสิ่งนั้นไหมกับเป้าหมายต้องจริงจังไม่งั้นกลัวไม่สําเร็จเมื่อจริงจังเข้าไปแล้วเนี่ยความจริงจังลงไปในสิ่งที่หวังทําให้เราลามไปถึงการจริงจังต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราด้วยได้ไหมได้จริงจังกับสิ่งที่หวังจริงจริงจังกับคนที่ร่วมงานจริงจริงจังกับคนที่เข้ามาขัดผลประโยชน์จริงจริงจังกับคนที่เอาประโยชน์มาให้จรงจริงจังแม้แต่สุขภาพตัวเอง จริงจังพอต้องการเข้าไปมันต้องจริงจังไปหมดแต่พอวางแล้วฉันไม่เอาละเรื่องนี้เหมือนทิ้งทั้งกะบีเลยถูกไหมไม่เอาละเป้าหมายอย่างนี้ไม่เห็นมีแก่นสารลเลยคือยากได้ท ร, รมานมาตั้งนานพอวางทิ้งปับ๊บไม่เอาจริงๆิงเนี่ยคิดถึงยังไม่คิดถึงเลยแล้วมันจะกวนไหมไม่กวนจะจริงจังกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมกับเรื่องที่เราไม่เอาแล้วเนี่ย แล้วก็ไม่จริงจังเธออยากได้ก็เชิญเลยไม่จริงจังนั้นเมื่อใดยังมีตัณหาอยู่ในสิ่งใดเมื่อนั้นหมายถึงเราก็ยังมีสิ่งที่ยังจริงจังและต้องการและเป้าหมายเมื่อยังมีอยู่หมายถึงคลายไปหรือยังปล่อยไปยังยังไม่ปล่อยเมื่อยังไม่ปล่อยสิ่งนั้นก็จะยังคงอยู่ในใจคงอยู่ในใจหนึ่งทั้งเรื่องที่เราต้องการ กับความจริงจังทําให้เราไปหมายมั่นโกรธเกลียดรักชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงนี้นให้จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวอีลุงตุงนางได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะยังมีความต้องการเราต้องการอะไรบางสิ่งเราไปเกลียดคนที่มาแย่งผล ป, ประโยชน์เราได้ไหมได้กลายเป็นเกลียดเพราะเกลียดชังแล้วเนี่ยใจเกาะเกี่ยวไหมเกาะเกี่ยวนอนก่อนจะตายลมสุดท้ายเนี่ยอารมณ์เกลียดยังลอยมากวนเลยนะ เดี๋ยวจะตายไปรอมันอะไรอย่างนั้นนี่คืออาการว่าเมื่อมีความต้องการแล้วจิตมันจะมีความยึดถือเมื่อมีความต้องการหมายถึงจิตมันยังไม่ปล่อยเห็นไหมเมื่อไม่ต้องการแล้วหมายถึงว่ามันเอาไหมไม่เอาเมื่อไม่เอาก็คือวางเมื่อวางออกไปมันจะอยู่ในใจไหมไม่อยู่ในใจนั้นเมื่อใดก็ตามมีตัณหาเมื่อนั้นจะมี ป่าทานก็ ย, ย่อมต้องมองให้เห็นหน้าตาทีนี้เจ้าตันหาในชั้นที่ว่าไม่ต้องรอผัด ส, สะกระทบแล้วค่อยเกิดอยากทีงเสร็จแล้วมันก็จืดหายไปแล้วก็ว่างจากความรู้สึกต้องการเพราะอะไรกระทบไออยากทีนึงแล้วก็หายไปเพราะโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วคนทุกคนล้วนมีความต้องการอยู่ในตนทุกคนหลักทุกคน ไม่มีใครไม่มีความต้องการที่มีอยู่ในใจเนี่ยประหลาดไหมถ้าเรามีอ่ะไม่ประหลาดไม่ประหลาดหรอกทยอยไม่มีนั้นประหลาดไหมประหลาดทยอยไม่มีนะประหลาดนั้นคืออลาหันเท่านั้นนะที่ไม่มีนั้นเมื่อมีนะไม่ประหลาดเดยวไม่ต้องอายไม่มีความต้องการแต่เมื่อใดก็ตามยังมีความต้องการอยู่ในใจเนี่ยความคิดเราจะสงบเย็นลงได้ไหมไม่ได้ยิ่งถ้าต้องการอะไรมากมันกวนอยู่นั่นแหละ แต่ถ้ายังต้องการมันไม่มากน่ยมันไม่ค่อยโกนหรอกนี่คือความต้องการถ้าต้องการหลายเรื่องทีนี้เรื่องคิดเต็มไปหมดเลยเรื่องจริงจังเต็มไปหมดเลยเรื่องเกี่ยวพันชีวิตอิลุงตุงนางเต็มไปหมดเลยในความต้องการทําให้เรากระทําและทําให้เราเกี่ยวพันแล้วทาให้เรานึกถึงและทาให้เราวางไม่ลงหรือไม่ได้วางทีนี้หน้าตาของเจ้าตัญหาในชีวิตของเราจริงๆเนี่ย ตอนที่ยังไม่มีภาษากระทบถ้าเราดูด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าเรายังมีตัณหาไหมมีไหม่หนอตอนไหนไม่มีบ้างตอนกินข้าวคือมันมียืนอย่างเช่นอะต้องการอยากให้รูกเรียนจบจบแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตฉันจะได้สบายตอนแก่ต้องการอย่างนี้ความต้องการนี้ยังอยู่ในใจมะกินข้าวมันยังอยู่ไหอยู่แต่แค่ไม่แสดงออกนอนหลับไปยังอยู่ไหอยู่แต่ก็ไม่ได้แสดงออก เมื่อความต้องการอย่างนี้ยังอยู่เนี่ยใจก็ยังมีเป้าหมายไหมมียังมีความยึดมั่นด้ยความเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาไหมมียึดมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นลูกยึดมั่นในการมหมมีพระต้องการให้สำเร็จก็เพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นสำหรับได้มาซึ่งการมคุณทั้งหลายนะยึดมั่นอยู่ในที่เสร็จแล้วนะดังนั้น ในขณะที่เราอยู่สบายสบายเข้าฌาน Le ียนนิ่สมาธิอยู่เนี่ยแต่ลูกยังเรียนไม่จบเนี่ยความต้องการอย่างนั้นมันยังมีไหมแม้ตอนเข้าฌานเนี่ย mm hmm. ก็มีแต่มันไม่แสดงตัวออกมาเป็นความรู้สึกแต่ในใจของเราหรือในเนื้อตัวชีวิตเราเนี่ยเราก็ยังมีความต้องการนั้นอยู่นะยังไม่คลายยังไม่วางทีนี้ความต้องการในชีวิตคนเราเนี่ย มันมีหลายเรื่องได้ไหมได้บางคนมีหลายเรื่องบางคนมีไม่กี่เรื่องบางคนมีหลายเรื่องแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะบางคนนี่มีเรื่องใหญ่ๆห่เป็นหลักๆทุกคนต้องมีในทุกความต้องการทำให้จิตมีเป้าหมายทำให้ใจมีการเกาะเกี่ยวทำให้เกิดความจริงจังทำให้เกิดกิริยาการยึดถือ ทีนี้เราก็มาดูว่าพวงโซ่ประติชสมุทรบ่าเนี่ยถ้าเรามองเอาแต่มุมเฉพาะว่าตันหามีแต่เฉพาะตันหาที่เกิดดับทางภาษาเท่ากับวัาโยมทิ้งตันหาที่นอนพื้นไปเลยถูกไหมทิ้งไปไหมเอาใหม่ตับยาชาถ้าเราเข้าใจว่าตันหาเนี่ยมันมีก็ต่อเมื่อภาษากระทบแล้วมันค่อยมี แล้วมันก็ดับไปพอดับไปก็หมายถึงว่าตัณหาไม่มีอีกแล้วพอไม่มีอีกแล้วในใจถ้าตายตอนนั้นก็คือปรินิพานถูกไหม อ, อย่างตอนนี้ตัณหาไม่เกิดตายณนะอารมณ์นี้เลยปรินิพานไหมไม่เกิดเนะพราะตัณหาพออะไรยังไม่มากระทบเราเนี่ยความรู้สึกอยากยังไม่เกิดเนี่ยถูกไหมเมื่อยังไม่เกิดก็แสดงว่าตัณหาไม่มี อุปทานไม่มีพบไม่มีชาติมีถ้าโดนยิงตรงนี้เลยลูกหลงมาโดนเนี่ยปรินิพานไหมปรินิพานไหมไม่เนาะแน่ใจนะเพราะว่าลาคะโทสมัมโมหะเอาออกหรื อ, อยังยา ง, ยางแต่ความรู้สึกอยากมันยังไม่เกิดไม่มีภาษากระตุ้นอยากไม่เกิดก็เลยคิดว่าอุปทานไม่เกิดพบไม่เกิดชาติเกิดเอาตอนนี้อารมณ์สบายเนี่ย ให้ดูฉันหน่อยนะตอนฉันเริ่มสบายช่วยยิงฉันหน่อยฉันจะปรินิพานจะปรินิพานไหมก็ให้ปรินิพานเพราะว่าความรู้สึกอยากที่เกิดดับเนี่ยมันอันหนึ่งนะเป็นอันหนึ่งมันคนละตัวกับความต้องการในชั้นที่พระเจ้าต้องให้ถอนให้หมดก่อนตายถ้าใจไม่เหลือความต้องการสิ่งใดแล้วเนี่ยสิ่งที่แทนที่คือความเฉยระงับ หรือภาวะนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์ดังนั้นถ้าปกติที่เราทรงตัวอยู่ยังไม่ได้มีผัสสะมากระตุ้นนะให้เกิดความรู้สึกอยากเนี่ยนั้นก็หมายความว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีตัณหาในใจถูกไหมถูกไหมไม่ถูก ณนะตอนนี้ทุกคนเนะ่ยยังไม่มีอะไรกระทบรถก๋วยเตี๋ยวยังไม่ผ่านแม่ครัวยังไม่ไม่เรียกเนะี่ยยังไม่มีอะไรกระตุ้นให้รู้สึกอยากนะนั้นก็หมายถึงว่าตอนนี้เราไม่มีตัณหาใช่ไหมไม่ใช่กลายว่าตอนนี้ตัณหาไม่มีไม่ใช่งนั้นความต้องการในชั้ น, นอนเนื่องเนี่ยมันทรงอยู่แล้วบางคนมีมากมีน้อย ความต้องการมากต้องการน้อยของแต่ละคนเนี่ยต่างกันที่ความเบาบางของราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเบาบางความต้องการก็เบาบางเช่นราคะคือความติดใจคนไม่ค่อยติดใจอะไรความต้องการมันจะเยอะมไม่เยอะโทสะเบาบางไม่ถือโกรธไม่ผูกเกลียดใครเนี่ยความต้องการที่มุ่งร้ายกับใครมันจะมีเยอะไหมไม่เยอะ โมหะคือเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนเข้าใจเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่จะไม่จริงจังกับความเชื่อความเห็นอะไรต่างๆยังถูกลักษณะเนี่ยความกลัวความกังวลอะไรต่างๆมันก็น้อยเมื่อน้อยความต้องการที่จะมาจากความกลัวมันจะเยอะไหมก็ไม่เยอะอีกนั้นคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีราคะโทสะโมหะเพราะยังมีอวิชชา มีใครไม่มีวิชาบ้างทุกคนต้องมีอวิชชาคือภาวะที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจทุกคนเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ราคะโทสะโมหะในภายใ น, นยก็จะยังมีเมื่อมีราคะโทสะโมหะอยู่ตัณหาก็จะยังมีนะตัณหาที่เลี้ยงไว้ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ย นี่คือตัณหาที่ต้องทำลายให้หมดก่อนตายสิ้นตัณหาตัวนี้จึงเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าสิ้นตัณหาที่แท้จริงไม่ใช่สิ้นตัณหาที่ภาษากระทบตัณหาเกิดละดับตัณหาเกิดละดับตรงนั้นตัณหาจะสิ้นั้มไม่สิ้นมันคนละตัวกับไอ้ตัณหาที่ถูกเลี้ยงด้วยราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะถูกเลี้ยงด้วยอวิชชา อวิชาดับราคะโทสะโมหะดับตัณหาก็ดับอุปาทานก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับนะคือคกลไกความดับของเขาทีนี้ถ้าเราจะมาดูปฏิจจสมบบาทในแบบว่าตัณหาในห่วงโซ่ปฏิจเป็นตัณหาชนิดเกิดขึ้นดับลงตามผัสสะอย่างนี้ ถ้าตัณหาไม่เกิดก็หมายถึงว่าจิตคนนั้นยังไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาเกิดอุปทานก็ไม่เกิดถูกมถ้าเรามองตัณหาที่เป็นตัวความรู้สึกแต่ถ้าเรามองตัณหาในชั้นที่นอนเนื่องนอนเนื่องเราจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าชีวิตคนทั้งหลายเนี่ยย่อมต้องมีความต้องการนอนเนื่องอยู่แล้วเพราะยังไม่มีใครสิ้นราคะโทสะโมหะหรอก จะสิ้นได้ไงยังไม่ได้ออกผ่านชีวิตมาเนี่ยสั่งสมราคะโทสะโมหะกันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยบางคนกองใหญ่บางคนกองเล็กบางคนบางบางคนหนาเมื่อราคะโทสะโมหะยังอยู่ตัณหาในภายในก็จะยังมีอยู่นะมีอยู่เมื่อตัณหามีอยู่อุปทานจะไม่มีได้ไหมไม่ได้เมื่อเรามีความต้องการอะไรอยู่ในใจ ใจเรามีเป้าหมายแล้วใจเรามีการเกาะเกี่ยวแล้วเรามีความจริงจังล้วนั้นกิริยาของความยึดถือเนี่ยมีอยู่ในทีนั้นเสร็จเลยดังนั้นความยึดถือที่มีอยู่เนี่ยเรามองเห็นหน้าตาไหมอย่างตอนเนี้ยความรู้สึกอยากก็มองไม่เห็นเลยต้องมองด้วยอะไรปัญญาดังนั้นตัณหาในชั้นที่นอนเนื่องเนี่ยเมื่อเขา มองไม่เห็นได้ด้วยความรู้สึกจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญายอมรู้ได้ไหมเห็นไหมเห็นนะเห็นเห็นว่าเห็นต้องเห็นหน่อยนะเห็นด้วยปัญญานะถ้าใครเห็นว่าฉันไม่มีตัณหาแล้วอันตรายแล้วนะอันตรายละต้องเห็นหน่อยฉันยังยังต้องการนี้อยู่ฉันยังปล่อยไม่ได้นะฉันยังมีเรื่องที่ยังวางไม่ลงฉันยังต้องก่อเกี่ยวอยู่ฉันยังต้องจริงจังอยู่ ฉันต้องเอาให้ได้ก่อนฉันต้องทําให้เสร็จฉันอันนี้คือใจมันผูกไว้ไหมผูกเมื่อผูกกันวางหรื อ, อยังยังนั้นตัณหาตัวนี้เนี่ยประจําใจเราอยู่ไหมประจำเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็ถ้าดูอย่างเออฉันยังมียังไม่ได้วางเมื่อตัณหานอนประจําอยู่ยังไม่ต้องมีผัสสะอะไรมากระตุ้นแต่ในภายในเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไหมมีอยู่ เมื่อตัณหามีอยู่อุปทานมันจะยังมีอยู่ไหมมีอยู่ใจก็ยังต้องเกาะเกี่ยวอยู่เมื่ออุปทานมีอยู่สัญญาที่จะหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของวิญญาณมันจะมีไหมมีอยู่ดังนั้นขันจะดับสนิทได้ไหมไม่ได้ตัณหาก็ต้องมองให้เห็นด้วยปัญญาอุปทานก็เห็นด้วยปัญญา ดังนั้ น, นกลไกห่วงโซ่ปฏิบเนี่ยถ้าเรามองว่าตัณหาเนี่ยมันจะมีเฉพาะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจึงมีอย่างเงี้ยเท่ากับเราทิ้งตัณหาในภายในไปเลยถูกไหมแต่โดยความเป็นจริงของคนเราเนี่ยปกติของคนทุกคนตัณหาภายในยังมีอยู่ไหม mm. มีอยู่แล้วเป็นปกติไม่งั้นไม่มานั่งปฏิบัติธรรมกันหรอกปฏิบัติเพื่อเอาไอ้ข้างในนี่แหละออก พอออกได้มากเท่าไหร่ก็จะเริ่มเบาบางเบาบางแล้วก็เริ่มสงบ พ, พอหมดก็กลายเป็นผู้หยุดเย็นเป็นนิพพานด้วยนี่คือเอาไอ้เจ้าข้างในออกไม่ใช่เอาไอ้เจ้าที่พอปัสสะกระตุ้นปุ๊บแกโผ่โผล่แล้วแกก็ดับพอไม่กระตุน้นแกก็ไม่โผไม่โผหมายถึงว่ามันไม่มีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่โผก็ไม่ได้หมายถึงตัณหามันไม่มีตัณหานอนเนื่องข้างในต้องเอาออกให้หมด นั้นปฏิจจสมุปบาท ต, ตันหาเป็นปัจจัยให้มีอุปาทานเนี่ยหมายเอาถึงตันหาที่เกิดดับเมื่อภาษากระทบหรือตันหาภายในภายในนะแน่ใจนะแน่ใจภายในมันเคยมีช่วงไหนที่มันหมดไปจากเราไหมไม่มีแต่บางครั้งแค่มันไม่กระตุ้นมาก่อกวนให้เกิดความหลัาคาดเท่านั้นเองนะ ตอนไม่กวนหมายถึงมันไม่มีไหมไม่ใช่มีแต่ยังไม่กวนนั้นถ้าข้างในมีตัณหาทรงอยู่ตลอดเป็นปกติยังไม่ได้ อ, ออกเนี่ยหมายถึงอุปทานยังมีไหมมีเหมือนอุปทานเป็นเงาของตัณหาเลยเหมือนคนกับเงาถ้ามีตัณหาจะไม่มีอุปทานได้ไหมไม่ได้มีตัณหาต้องมีอุปทานถ้าตัณหาดับอุปทานก็ดับ เหมือนดับพลดับเงาเลยเมื่อมีตัณหาต้องมีอุปทานเมื่อมีอุปทานขันจะดับสนิทได้ไหมไม่ได้มีอุปทานต้องมีพบนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองว่าเรามีช่วงเวลาไหนที่พบเราดับสนิทไหมแน่ใจนะไม่มีนะ อ, อถ้าพบดับนี้หมายถึงอะไร น, นิพพาน เขาใช้กับใครอรลหันคนเดียวมีช่วงเวลาไหนที่อุปทานเราไม่มีไหมอุปทานดับสิ้นเนี่ยมีกับบุคคลเดียวคือพระอัลหันเขาไม่ใช้คำว่าสิ้นอุปทานกับคนทั่วไปนะคำว่าสิ้นอุปทานใช้กับอรลหันคนเดียวอุปทานทั้งสี่ของเราสิ้นไปเพราะรู้ชอบอุปทานภายในเนี่ยจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาตัณหาภายในก็ต้องรู้ด้วย ปัญญาพบก็ต้องรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยความรู้สึกเพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกรู้ว่าตัณหาทําให้เกิดพบเกิดชาติเนี่ยรู้แล้วทําให้สิ้นตัณหาไหมไม่เกี่ยวนะรู้ว่าอ่าตัณหาท้า้มีอุปาทานอุปทานท้า้มีพบพบท้า้มีชาติรู้อย่างนี้ไม่ได้ทําให้สิ้นตัณหาแต่รู้ว่าตัณหาทําให้มี พบชาติอย่างไรนี่คือเรื่องราวปฏิจติแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรต่อมาพระพุทธเจ้าสาวต่อว่าเพราะอะไรเล่าไปปัจจัยจึงทำให้มีตัณหาอะไรเป็นปัจจัยจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีความต้องการ